อิา l ์นะ حمدله و ن س ت ع ي و ف ر ا ل ل ه و م ن ن ا ي الله ل ه و ي ض ف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمشينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير النشور أعوذ بك لِمَاتِ ا, أ, إ, إ, أ ل ل ا َ ه ِ ت َ م َ ت ِ مِن شَرِّمَا خ ل ق َ ب ิ سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الك ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ا l l a h u ف m ي อาภัณิในในบัติญิและอาภัณิในใัมะาินซ سبحان a l l a و ب ح م د ه عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه وبدال كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في นาม ك رؤمنا معصبا และพี่น้องที่ติดตามรายการตับซซตที่อยู่ที่บ้านที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอ์นะสุบฮานาหุวาตาลาที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสริฐนะครับนี่เราอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายของเดือนอมดอน <c oughs> ช่วงสุดท้ายเนี่ยอุลมามะกขาก็เขียนบอกว่าเป็นช่วงปลดปล่อย จากไฟนรกเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงที่ปลดปล่อยออกจากไฟนรกคนที่จะได้รับการอภัยโทษแล้วก็ถูกปลดปล่อยออกจากไฟนรกเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นมูตมินต้องถือินโอดแล้วก็ต้องรักษามารยาทขณะที่ถือินโอด ตามที่ท่านนาบีได้สอนได้อธิบายได้ให้รูปแบบกับบรรดาสหฮาบะในยุคต้นๆอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอ์ให้ช่วงสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยมีฝนนะเย็นชามดีอัลฮัมดุลิลละทำให้อากาศนี่มันเย็นดีแล้วก็หลายคนก็ยิ้มยิ้มออกนะขอบคุณอัลล์ยกันทุกคนอัลฮัมดุลิลละ ขอบคุณนอร์ทนะครับเราได้ทบทวนอัลกุรอานในเดือนอามอดนเราก็ไม่หยุดนี่นักเรียนยียติกาบกันเป็นร้อยอ่นะสองร้อยกว่าถึงสามร้อยคนเนี่ยก็คือกลับบ้านกันแล้วทำให้มัสยิดเหงานะครับเราได้ทบทวนกุรอานในเดือนอามอดนแล้วก็นอกเดือนอามอดนอีกสิบเอ็ดเดือน จบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสุรโรลุกมานแล้วกบวันนี้มาขึ้นสุรโรอัศรยดาในคุาณานมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสี่สูรรนะหนึ่งรอสิบสี่สุรโมีทั้งหมดสามสิบยุสสามสิบภาพทามสิบยุสพี่น้องเ้อเราจํานะจำกุาณานที่เราอ่านผ่านๆมาเนี่ยจำได้ความรู้เยอะมากเลยนะ เอาไปต่อย่อดได้ทาให้อิมานเราเพิ่มขึ้นนะครับเรารู้ จ, จักอัลลอลาเพิ่มขึ้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับเราเริ่มต้นสูโรอัสรจัดดาอัสรจัดดาเนี่แปลว่าอะไรแปลว่าการกราบาสุญูดนั่นแหละสัจจดาเนี่แปลว่าการกราบสาเหตุที่มีกราบก็เพราะว่ามีคนอยู่สองสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกราบอีกกลุ่มหนึ่งไม่กราบ ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยโดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่เป็นมุมินบนมุสลิมเนี่ยเมื่อเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงความโปรดปรานของ Allah, อัลลอฮ์ سبحانه และก็ุาลานะครับเมื่ออัลลอฮ์เตือนเขานะว่าอัลลอฮ์ในสถาบันเนี่ยานนอมามัดนั้นเนี่ยอมามัดนี้ให้กับพวกท่านเนี่ยบนโลกดุนยานี้เนี่ยอมามัดนับไม่ถ้วนเนี่ยพอได้ยินเรื่องอย่างนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะซูญูดเขาจะล่งก้มลงกราบนะครับ ทีนี้สุรานีเนี่ย น, นะครับประทานที่มักกะในตับเซตนะครับใน h a d ของอิมามติสมีดีจะอธิบายบอกว่าก่อนนอนทุกคืนเนี่ยก่อนนอนทุกคืนเนี่ยนะให้แปรงฟันก่อนก่อนนอนนะแปรงฟันอาบน้ำนำมาตะปัดที่นอนยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุล้ลรูปทั้งแต่ศรีรษะใบหน้าลำตัวทั้งหมด ทำอย่างนี้นะสามครั้งแล้วตามด้วยอญญายกคูซีแล้วก็ตามด้วยสุระอะ ส, สัจจาเนี่ยท่านั้นเราก็ต้องท่องจำไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ท่องจํามาอยู่แล้วพวกเรานะเราทำอยู่ดีแล้ว <c oughs> ควรจะท่องจํำสุรอ้อนนี้นะครับ <c oughs> เยอะๆ <c oughs> จะได้อ่านทุกคืนนะมันก็ไม่เยอะกี่กี่อายาเนี่ยประมาณ30สิบกว่าอายาเองนะสามสิบอายาไม่เยอะนะอ่านคนอ่านเก่งๆก็ หานาทีสิบนาทีก็จบแล้วหมเดีนีแหละเอาวันนี้เรามาขึ้นสุราใหม่นะโซล่าซาจด่านี่ประทานให้ทิมักกาเขียนว่ามักกี้อ่ะแสดงว่าประทานแี่ให้ทีนักรหม ก, กานะครับส่วนใหญ่จะพูดเรื่องอะไรอักิดะหมดเลยพูดเรื่องอักิดะอักีดะเรื่องความเชื่อระว่างเราต่ออัลลอ์ควรจะเชื่อ ย, อยังไงที่ถูกต้องนะครับส่วน อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาที่นครมดีนาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคำสั่งให้ปฏิบัติปฏิบัตินั่นปฏิบัตินี้ห้ามนั้นห้ามนี้แต่ที่นครมักกะเนี่ยส่วนใหญ่จะประทานลงมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอัคีได้หมดเลยเรื่องความเชื่อเราต้องโยงกับอัลลอฮ์เราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลัห์อิสมิลลัฮิร์รอห์มานิรรหีม ด้วยด้วยพระนามของอัลลอฮ์หมายความว่าเราเริ่มอ่านคุรานด้วยด้วยนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นี่นะครับอัลลอฮ์มีอยู่สิทฟัดอยู่สองข้อใหญ่ๆที่เราอ่านกันติดติดปากนะครับอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณานะครับกรุณาเนี่ยทั้งคนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยแล้วก็ให้ทุกอย่างให้เฉพาะโลกเดียวนะ อย่างฟาโร่เนี่ยทรอยต่อร่อมาสี่ร้อยปีไม่เคยสู้อยู่ต่อร่และแม้แต่ครั้งเดียวอลัลลอฮ์ไม่เคยให้เขาป่วยเลยนะ่ะแล้วให้ริซกีให้อำนาจให้นูนให้นี้ให้จนทั้งเหลือเฟือแต่ไม่เคยสูจูดต่ออัลลอฮ์อัอลลอฮ์ก็ยังให้อยู่นะนี่ถ้าเป็นเรานะไม่ให้แล้วแต่อลัลลอฮ์ตรับอกว่าอัรลอฮ์อิมอัลลอฮ์มานก่อนอัรลอฮ์มานฉันเป็นผู้ กรุณาปราณีทุกคนที่อยู่บนโลกดวนยาไปนี้แม้แต่ใสเดือนที่อยู่ในอยู่ในใต้ดินอยู่ในทรนในโซ่ก็ตามแต่อัลลอ์ดูแลหมดเลยก้อนหินก้อนหนึ่งอัลลอ์ก็ดูแลนะครับยิ่งมนุษย์ในมนรรงวงอัลลอฮ์ดูแลเป็นพิเศษเลยส่วนอัลอฮิมอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเสมออันนี้เฉพาะเจาะจงในโลกอาคีรอเท่านั้น นะครับโลกดุนยาเนี่ยอลัลลอฮ์ดูแลหมดดูแลคนกาเฟตค่อนข้างจะดีกว่ามุมินด้วยสังเกตให้ดีสิในคัมภีร์รอุกอาลาหนายาอื่นอธิบายอย่างนี้ถ้าหากอาลัลลอฮ์ไม่กลัวมุมินนี่นะจะเปลี่ยนความคิดนะฉันอยากจะให้บ้านคนกาเฟตนั่นหนะลังคาทําด้วยทองบันไดทําด้วยทองนี่อลัลลอฮ์พูดในคัมภีร์อุกกาลาเลย อยู่ให้สบายไปเลยใช่เพราะเองได้โลกเดียวพอตายแล้วจบพอตายแล้วมีอาดาบตามมาเต็มเลยนะใช่ไหตั้งแต่มาลายิกาหลอมมลาิกามากนากียรมุงกัรที่มาใต้ดินนะ่ะแวกดินมานะ่ะแล้วก็มาเนี่ยยางกฟ้าพาเนี่ยไม่ว่าคนดีคนไม่ดีกลัวหมดนะ่ะโอ้โหถูกเล่นงานตั้งแต่วิ น, วนาทีแรกที่วิญญาณออกจากร่างปับ๊บถูกทรมาน ต่ออลอตทันทีเลยครับแต่ไม่มีใครรู้นะออลอตปิดเรื่องงิบไม่ให้ใครรู้เลยนะฮะถ้าอ่านคุรานถึงจะพบฮะมูริเลาะอลิฟลามีอลิฟลามีมามมพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าความหมายแปลว่าอะไรแล้วก็กล่าวว่าวัลลอฮฺฮุสไลมอัลลอฮฺทรงรู้ดีที่สุดแค่นี้ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะ นะครับรบะกรเราก็ผ่านกันมาแล้วนะครับพี่น้อง تنزل الكتاب بلا ر فيه م ب ا ل ع ا ل م ز ل ا ل ك ت فيه ล ح ل ل ตันซีลเนี่ยดูศัพท์นะครับตันซีลแปลว่าการประทานลงมามาจากนาซาลาแปลว่าลงตันซีลเป็นมัสดาร์แปลว่าการประทานลงมาประทานอะไรครับอัลกิตากิตาหมายถึงหนังสือหมายถึงกุรอานอัลกิตาแปลว่าหนังสือหรือคำภีรคำภี์นี่ นะครับคำพีอัลกุรอานเล่มนี้นะเป็นการประทานลงมาไม่ใช่เกิดขึ้นบนทันดินนี่นะมาจากข้างบนเพือ่อจะเตือนมุสลิมเตือนคนอ่านกุรอานเตือนอ น, อ น, นบีมฮัมมัดว่ากุรอานนี่คำพีเล่มนี้นะมาจากอัลลอฮ์นะคือกุรอานเป็นอย่างนี้ครั้งแรกเนี่ประทานลงมาจากลาฮิลมาฟูซ ล่าให้มาฟูสเนี่ยแปลว่าแผ่นจารึกที่ถูกรักษาเอาไว้อยู่ตรงไหนวันรอว่าเราไม่รู้อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังผ่านนบีมุฮัมมัดกุรอานครั้งแรกที่ถูกลงมาจากเล่าให้มาฟูสเนี่ยมาพักที่ใบตุลอิซะทันฟ้าตรงไหนมารอว่าเราไม่รู้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในเดือนอมาดอนอ่าแล้วก็จากใบตุลอิซะ ประทานลงมาผ่านยิบรีนมาให้ท่านนาบีม ahoma ตม์ก็ใบก็เดือนรอมฎอนเหมือนกันนะครับครั้งแรกนะที่ประทานลงมาเนี่ยในเดือนรอมฎอนให้กับท่านนาบีม ahoma ตม์สลุลามะสลักการประทานให้กับท่านนาบีเนะทยอยประทานลงมานะทีละอายะทีละซูราะทีละสิบอายะยี่สิบอายะ และการจัดกุณอ่านที่เป็นเล่มแบบนี้นะจัดโดยท่านนาบีม د, ุฮัมมัดโดยท่านยิบรีนนะมาสอนนบีเอาเอาวัยนีใส่ตรงนี้อาวัยนีใส่ตรงนี้ไม่ใช่นบีจัดเองยิบรีนมาจัดแต่มีอยู่คนหนึ่งคนไทยเนี่ยเรียนกุณอ่านใหม่เรียนตามวาฮีอ่าเรียนตามวาฮีอายะแรกที่ประทานลงมาจากชันฟาเนี่ยก็คืออิกเราะใช่ไหม เขาแคเอาสุรอีอกราอนนะแทนปติฮะนี่ขัวคนไทยก็เองจัดได้แต่ไปอีมานตามนั้นไม่ได้ให้รู้ว่าอาญะไหนสุรอไหนมาก่อนไม่มีปัญหาจัดจัดไปเถอะจะมาจะไปอีมานว่าฉันจะต้องเรียงกุรอานใหม่ของฉันเองระวังการลงโทษจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จัดเนี่ยผ่านนาบี ม, ม, มุฮัมมัดถัดไปเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้นนนใช่ไหมนีพัน a า l a h ผิบรินผ่า น, นาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะสซัลลัมดันซีลุลกิตแปลว่าการประทานลงมาแห่งคำพีนี้แ <c oughs> ลารอยบาฟีคำพีเล่มนี้เนี่ยนะลาแปลว่าไม่รอยบ้าแปลว่าสงสัยคางแคลงไม่มีคำว่าสงสัยคางแคลง มีอุลมะหลายคนนะที่เปลี่ยนแปลงม า, ม, ามาหันมาหันมาหันมาอ่านคุรานี่นะพอเจออาย่า น, นี้แหละหลายคนนะที่แรกเนี่ยไม่สนใจกุรานเลยเป็นมุสลิมอย่างเดียวแต่ไม่เคยอ่านกุรานนะครับพอมาอ่านกุรานพอเปิดกุรานพับเจอเลยนี่ไงลาโรยกุรานอายาแรกสุร บ, บกรักรอดนะพอเปิดเจอไปมใช่ไหมาดิเกลกิตาบูลาโรยบาฟีเฮอ่านอายาใ น, นพับงงเลย หนังสือเล่มอื่นทั้งหมดมีการขัดแย้งกันแค่เขียนอัลลอฮ์อย่างเดียวนะบางทีก็เขียนออไมฮัานอากาศลอล อ, ออหออัลลอฮ์บางบางวักเขียนอัลออไมฮัานอากาศลอลิงซาเรเอละฮอนูฮู ก, การันอัลลอฮ์คนเดียวกันนะเขียนอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์ยังไม่เหมือนกันเลยผู้อ่านหนังสือไทยอัลลอฮ์ที่แรกเขียนอัลลอ แล้วก็มะอัลลอฮ์อะไรคนเดียวการจะมาเขียนอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันนี่ไงมาจากมนุษย์ถ้ามาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะเรื่องขัดแย้งกันไม่มีแล้วก็ข้อสงสัยขางแคลงไม่มีในกัฟีกุรอานอัลลอฮ์พู้อย่างนี้ถ้าหาว่ากุรอานเล่มนี้มาจากคนอื่นไม่ใช่ฉันเนี่ยนะท่านจะพบมันขัดแย้งกันตลอดเวลาเลย แต่นี่มาจากอัลลอฮ์เรื่องขัดแย้งไม่มีล้รอยบาฟีฮิไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อขางแคลงฟีฮิไหนในนั้นมาจากในคำภีกุรอานมิรับบิลละมีนกุรอานเล่มนี้มาจากใครรับบิรอบบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลอัลอาลมแปลว่ายูนิเวอร์ส แปลว่าจั ก, กรวาลหรือสากลละโลกอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจั ก, กรวาล น, นี่ใครคุยอัลลอ์คุยเองฉันนี่นะดูแลโลกทั้งหมดนี่เขาไม่โลกไม่ใช่ไม่ใช่มนันโลกอย่างเดียวมันมีดูแลมนุษย์ดูแลสัตว์ดูแลคนดูแลมลกากิจดูแล Allah อัลลอฮ์อัลกุรดูแลต้นไม้ดูแลชั้นฟ้าแบนดิน ดูแลไส้ไส้เดือนมแมลงทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุลยาบนี้อัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮฺอักบัดนะ ค, นะคำว่าลารอยบ้านี่นะผมเช็คในกุรานนะคำว่าลารอยบ้าเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเนะี่ยมีทั้งหมดกี่ครั้งรู้เปล่าสิเจดครั้งลาลอยบ้าคําเดียวนะเดี๋ยวพูดไปย้าไปอย่าประมาณสิเจครั้งและส่วนใหญ่ ข้อสงสัยมีมีมีอะไรบ้างที่กูอ่านย้ํานะหนึ่งคำพีกูรานั้นมาจากอัลลอฮ์โดยไม่ต้องสงสัยเรื่องที่สองคนจะต้องตายตายแล้วฟื้นไม่ต้องสงสัยเมื่อฟื้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะต้อนมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ทุกข์มาชัดไม่ต้องสงสัยนี่พูดเรื่องตายแล้วฟื้น แล้วก็ถูกต้อนไปรวมกันไว้ที่ทุ่งมาชัดนั้นมีเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วก็วันกิยามะมีจริงไม่ต้องสงสัยมีวันสามสี่เรื่องเดียวกันที่พูดว่าไม่ต้องสงสัยนะมนุษย์ไม่ต้องไปคลางแคลงใจกุรานมาจากอลัลลอฮ์ไม่ต้องสงสัยสองวันกิยามะมีจริงไม่ต้องสงสัยสมตายแล้วฟื้นไม่ต้องสงสัยข้อที่ส ทุกคนจะต้องถูกต้อนไปรวมตัวกันในทุ่งมาชัดไม่ต้องสงสัยนี่ทั้งหมดสิบเจ็ดคั้งการทำเรื่องแส ด, ดงว่าเราเนี่ยต้องอี م ا ن เยนะตาแล้วฟื้นไหมต้องฟื้นวันเกียร์มามีไหมมีแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยและคำร์กรารณานเล่มนี้ไม่ใช่นบีแต่งเองนะเพราะว่าพวกฝรั่งพูดว่าคำพิกรารณานเป็นของมูฮัมหมัดมู้มหมัดแต่งเองคิดเองเขียนเองโกหก ไม่ใช่น บ, บีอ่านหนังสือออกไว้ไม่ออกเขียนเป็นไหมไม่เป็นแล้วก็รับคำพีกรอณา ล, ลงมาแต่และคำแต่และคาหาที่ติดไม่ได้เลยฉะนั้นตันซีลุลกิตาแจ้งกับน บ, บีมุฮัมมัดแจ้งให้พวกเรารับทราบว่าคำพีเล่มนี้นะมีการประทานลงมานาจากไหนครับจากอัลลอฮ ลารอยบาฟีฮิไม่มีข้อสงสัยคลางแค็งใดๆทั้งสิ้นคำว่าคลางแคงหนึ่งคำพีมาจาก AH อ, งสงสอัลลอ์ไม่ต้องสงสัยสองลารอยบาฟีวันกิยามะมีจริงไม่ต้องสงสัยาลารอยบาไม่ต้องสงสัยตาแล้วต้องฟื้นไม่ต้องสงสัยจะต้องถูกต้อนไปอยู่ที่ทุ่งมาชัดไม่ต้องสงสัยแล้วก็ผลงานแต่ละคนที่ทาไว้อัลลอฮ์จะแชหมดเลยในวันกิยามะไม่ต้องสงสัย ทำดินเราทอิมานเราเพิ่มใช่ไหมนี่ไงถึงได้ประทานที่นครมาการพูดเรื่องอีมานเนี่ยเห็นไหมตั ก, กัาตะ ก, กัวอีมานอิมานอิมานตลอดเวลามิรับบิาลารามีจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลคําว่ารับบินอารามีในคุณอ่านกล่าวกี่ครั้งรู้ไหมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามครั้งหนึ่งร้ยเจ็ดสิบสามครั้งว่าอลัลลอฮ์นี่เป็น พระผู้อภิบาลแห่งยูนิเวอร์สแห่งสากลและจักรวาลอัลลอฮฺอบัตพระผู้เทั้งยูนิเวอร์สเราก็เคยถึงผู้หญิงใช่ไหมนางงามจักรวาลใช่ไหมหญิงยูนิเวอร์สมาแก้ผ้าเดินให้คนดูทำได้ยังไงเนี่ยถ้าราอานกุรานันไม่กล้าทำอยู่แล้วใช่หอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้กุรานเนี่ยเป็นอะไร อ่ากิตตากเล่มนี้คำภีเล่มนี้หนึ่งเป็นฮูดาเป็นไรนะเป็นทางนำสองคุรอาเล่มนี้เป็นฮากีมุนเป็นความรู้สกุรอาเล่มนี้ที่อลัลลอฮ์ส่งมานะ่ะเป็นราะมะเป็นทางนําไม่ให้ถูกลงโทษในกุโบไม่ให้ถูกลงโทษที่สุสานไม่ให้ถูกลงโทษหลังจากฟื้นคืนชีพในโลกอาคีรอ คนที่เชื่อกูรอ่านนะ้นะอาดับไม่มีครับแล้วต่อมาครับข้อที่สี่กูรอ่านนี่เป็นชีฟาเป็นยารักษารักษาโรคอะไรไม่ใช่โรคเบาหวานไม่ใช่โรคอะไรนะเส้นหัวใจตีไม่ใช่รักษาโรคนี้โรคอิฉาโรคผูกพยาบาทโรคขี้เหนียวแล้วก็โรค ก, กรธโรคตะกับบูดเยอะยิง โรคที่ไม่รู้จักอัลลอ์โรคทาชีริกอัลลอ์โรค โ, โรคผูกพยาบาทห้าหกโรคนีหมอรักษาไม่ได้แต่อัลกรุรอานเล่มนี้สามารถรักษาได้ถ้าคนนั้นอ่านอัลกรุรอานแล้วก็ไล่ยินชัยตอนได้ด้วยกรุรอานสีฟ้าอุณจะนั้นลูกลูกเราร้องร้อ ง, องตอนกลางคืนเนี่ยนะคนฉลาดต้องนึกเอสงสายปวดท้องเปล่า อะไรแมลงกัดต่อยหรือเปล่าถ้าไม่มีชัยตอนอ่านกรุรานเลยสามกุญยกมือขึ้นเปล่าแล้วลูกที่ตัวเดยกเดี้ยวหายครับต้องดึกครับเราเป็นมุสลิมต้องโยงกับอัลกรุรอานตลอดเวลานะตกลงว่ารับบิลาลมีเนี่ยแปลว่าอาลัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลละจักรวาลพูดกี่ครั้งนะหนึ่งรอเจ็ดสิบสามครั้งในคัมภีก์ุรานกุรานไม่ใช่วิชาไยศาสตร์นะ และคุรอ่านนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่ากันมาจากนะจากปู่ย่าตายายไม่ใช่คุรอ่านไม่ใช่เป็นบทกวีนะไม่ใช่คุรอ่านไม่ใช่นิยายปรามปรานะไม่ใช่คุรอ่านมาจากอัลลอเป็นความรู้เป็นศีฟฟาอุนเราต้องนึกอยู่ในใจตลอดเวลาหำอยู่เลื่อยครับอายะที่เท่าไหร่สามดิอามยกูลูนฟตารอ بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولوا نفترض بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك ل ع اللهم جهدون الحمد لله الحمد لله อัะนี้ต้องการจะเล่าอย่างนี้ ที่นครที่มักกะเนี่ยในวันนั้นนะเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อย 11, กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีนบีคนใดเคยมาอยู่ที่มักกะเลยนบีอิบราฮีมเอานาบีอิสมาอีนใช่ไหมไปไปทิ้งหรือไปปล่อยไว้นะที่ไหนนะที่ที่กาบ้าปัจจุบันนี้ นั่นเป็นนบีคนแรกที่มานะที่มาอยู่นะเอานบีอิสมาอินมาอยู่นะแล้วก็สอนอิสลามยุคหนึ่งในยุคต้นๆเลยเนี่ยนะหลายพันปีที่ผ่านมาแล้วสมัยที่นบีมุฮัมมัดมาเนี่ยตั้งแต่นบีอิสาถึงนบีมุฮัมมัดมาที่มักกั้มไม่มีไม่มีนบีมาสอนสาศาสนาเลยเป็นหมู่ชนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องอัลลอฮ์ไม่เคยได้ยินเรื่องรัศูล ไม่เคยได้ยินเรื่องว่าตายแล้วฟืน้นไม่เคยได้ยินเรื่องว่าทุกคนเมื่อตายแล้วถูกต้อนไปอยู่ที่ทุกมัชัดไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไงในนครมักกะในวันนั้นนะเมื 11, ่อหนึ่งพันสี่รอยปีนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนี่เป็นเนิยอหมัตความประเสริฐที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายเกิดขึ้นในนครมักกะซึ่งก่อนหน้านี้นะ่ะคนที่เป็นนบีไม่เคยมาอยู่เลยเข้าใจนะเพราะก็ประเทศไทยนยั่นแหละ พอกันไหมเพราะว่าพอกันะกนะเพราะในบีนมาเคยนบีนมาก่อนไม่มีนบีนมาก่อนใช่ไหมทีนี้ <c oughs> วันที่นบีนได้รับรับวาฮีที่ภูเขาอะไร้ภูเขาฮิร้ออาข่ า, ขาวิร้อรับกุรอานครั้งแรกอีกราะอเนี่ยแล้วก็ลงมาเนี่ยกลัวมาบอกให้ทายหญิงคดิยาห่มผ้าให้ฉันหน่อยฉันกลัวมากแล้วก็เล่าให้ภรรยาฟังบอกมีมีค้นอะ่ะ มากอดฉันให้อ่านอีกระออีกระอสามเที่ยวฉันก็อ่านไม่เป็นะ่ะแล้วก็คนนี้ก็มาสอนให้อ่านอีกระอบิสมิรับบิก ล, ลัฎีขลักขลักลอินซานะมิเงาลักอีกระอวารอบบุกัลอครมุลลัฎี ع ล م ับิลกลามหายอ่ <c oughs> พะพอเล่าให้เะยยงอริยาฟังอริยาก็ปลอบใจไม่ต้องกลัวอัลลอฮจะไม่ทำลายคนอย่างกับท่านเพราะท่านนี่นะเป็นคนที่ต้อนรับแขก ทั้งๆที่หลักการการต้อนรับแขกยังไม่ยังไม่ถูกประทานลงมานะแต่นบีเมืองอัลลอฮ์จะดนใจเลยนะให้เป็นคนที่ชอบต้อนรับแขกสองเป็นคนที่ดูแลคนยากคนจนใครที่มาหาก่อนนบีเป็นนบีนะมาหาปัญหานาบมาีมาเล่าเรื่องลาบางระบากช่วยเหลือทันทีสามสี่ข้อนี้อัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งนี่พยาของนบีมุฮัมมัดคนแรกท่านหญิงกอริยะนี่ ใ ห, ให้แม่บ้านต้องฟังด้วยนะแม่บ้านต้องเอาใจสามีนะดูแลท่านนาบีอามัดเหมือนกับดูแลทายิงขอย่าดูแลสามียังไงเอาอัคลากนี่ไปใช้แล้วต่อมาท่านหญิงคอย่าเนี่ยพานาบีเนี่ยพามุมมฮามัดเนี่ยนะไปหาท่านวารอกกบินเอาฟันเป็นญาติของท่านหญิงขอย่าพาไปนบีก็เล่าให้ฟังท่านวารกกอิบเนาฟันนี่พูดด้าว่า ท่านเนี่ยจะเป็นคนสําคัญจะเป็นนบีนั่นแหละแล้วก็ท่า น, นจะต้องถูกไล่ออกจากมักกะท่านวเรากอบินนาฟันเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะในมักกะที่รู้จักอัลลอฮ์วันนั้นท่านวรกอิลนาฟัล น, นี่แหละเป็นคนที่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ทําชีริกต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็เชื่อว่ามีวันกิยามะแล้วก็ไม่กราบเจวิต ท่านวรกอลเนี่ยมีเตาให้ต่ออัลลอฮฺัลลอฮอลมอนะครับนี่ตับซีอธิบายอย่างนี้จึงได้บอกกับนบีว่าถ้าฉันอยู่มีชีวิตอยู่ในวันที่ท่านถูกต่งตั้งให้เป็นนบีนะฉันจะช่วยท่านอ่าเสร็จแล้วก็ท่านก็เสียเสียชีวิตมาก่อนอ้าอายานนี้ดูดูสับนะอัมยะกูลูนัฟตารออัมแปว่าหรือ ยากูลูนพวกเขาจะกล่าวว่าอิสตรอฮูฮูแปลว่ามุฮัมมัดมุฮัมมัดนั้นได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นหรือพวกเขาจะกล่าวว่ามุฮัมมัดนั้นได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมาคือมุฮัมมัดนั้นแต่งกุรอานขึ้นมาเอง ใครพูดรู้ไหยคนอาหรับมุชริกินในยุคหนึ่งพันสี่รอปีนั้นพูดตําหนิท่านนาบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดนั้นแต่งกูรานขึ้นมาเองอิฟตารอฮู่แปลว่าปลอมแปลงขึ้นมาเองหรือแต่งกูรานขึ้นมาเองเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าถึงพฤติกรรมของคนอาหรับมุชริกที่แอนตี้นบีมุฮัมมัดและสิ่งที่นบีพูดออกไปเป็นอยายะกูรานนั้นว่านมุฮัมมัดแต่งเอง ใช่หรือไม่ใช่ใช่ทำโดยลินเลยพี่หลานหลานนี่ทำให้เรารู้เลยว่าคนอาหรับไม่เบานะคนอาหรับนี่ขนาดมีลูกหลานตัวเองเป็นนบีของอัลลอฮ์มาสอนศาสนาเป็นนี่ยอมัมมตเป็นความปวดปานนั้นยิ่งใหญ่กับดามูฮัมหมัดเอ็งนำเอาอะไรมาสอนเนี่รรยทําห้ญาติพี่น้องแตกแยกกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมแบบสมัยนี้แหละคนนาเอาโนุนาไปเนี่ยเอ็งสอนได้น้องโซราในโซราห้ามเข้าขอโทษ สัมผัแต่นิดนแต่นิด ๆ, ๆ, ด ๆ, ๆอัมยากลูนัฟตารอหรือว่าพวกเขาผู้ปฏิเสธนะครับจะกล่าวว่ามุฮัมมัดเนี่ยอิฟตารอหูได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมาหรือแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเองนี่คําพูดอย่างนี้ท่าอาลัลลอฮ์พอใจปะอลัลลอฮ์ไม่พอใจนะถามว่าที่พูดอย่างนี้อลัลลอฮ์ได้ยินเป่าได้ยินหมด เราบันทึกไม่ให้มัลลิก้าบันทึกหมดเลยใครที่ใส่ไายอัลกุรอานว่ามุฮัมมัดปลอมแปลงกุรอานเป็นความผิดเป็นการด่านาบีมุฮัมมัดเป็นการตําหนินบีมุฮัมมัดท่านกุรอานเป็นของขครเป็นของอัลลอฮ์มาจากชั้นฟาชั้นที่เจ็ดยิบรีมไปพูดนำอัลอัลกุรอานมานาบีอัานไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วก็เขียนก็ไม่ได้แล้วแต่งเองก็ไม่ได้ด้วยแต่ดันมาพูดเนี่ยล้อเล่านะความรู้สึกอักีดาความเชื่อของคนกูฟารูนนั่นเนี่ย คืออะไรที่น บ, บีพูดออกมาแต่ละคำนี่ขวางหมดเลยนะเข้าใจนะแต่ละคำแต่ละคําที่ออกมาขวางหมดโอ้อัต่อมาครับบาลฮุอัลฮักอ้บาลตรงกันข้ามอ่าบาลแปลว่าตรงกันข้ามแต่ว่าก็ได้แต่ว่าอะครับหรือตรงกันข้ามฮุอัลกุรานัน้นอัลฮักกูเป็นความจริงอัลลอฮฺอักบัต าากูน่าเป็นความจริงมินมาจากใครครับมิรับบิกมินแปลว่าจากรับบิกแปลว่าพระผู้อาภิบาลของท่านาากูน่าเล่มนี้ไม่ใช่มาจากอเมริกาไม่ใช่มาจากจีนแต่มาจากใครครับมาจากพระผู้อาภิบาลของท่านคืออัลลอฮฺสุบฮานาหูตะนะโอ้ละฮามเดลลาทำสบายใจไหมสบายใจและเป็นเรื่องจริงด้วยอายาแรกลาโรยบาฟีไม่ต้องสงสยัยใช่ไหม จากนั้นกุรอานเล่มนี้กรุรอานเล่มนี้ต่างหากนะครับคุณพูดว่ามุฮัมมัดปลอมแปลงเองเป็นการดูถูกไม่ใช่กุรอานนั้นเรื่องจริงๆแล้วมาจากพระผู้อภิบาลของท่านทีนี้กุรอานลงมาทำไมเพราะว่าพวกเราเคยเอากุรอานย่อเป็นฉบับเล็กๆใช่ไมแล้วก็ผูกคอใช่ไหมอ้าอ่า แต่กุรานี้อัลลอฮฺอธิบายเลยลีต ma ah um ุนซิรอเกามามาอ่ตาฮุมลีตุนซิรอลีแปว่าเพื่อตุนซิรอแปลว่าตักเตือนท่านกุรานที่มาจากอัลลอฮนั้นเพื่อมาเตือนอ่าเตือนใครเตือนสติอ่าเตือนสติใครเกามันหมู่ชน หมู่ชนใดก็าตามพี่น้องที่อัลลอฮ์ตั้งเป็นหมู่หมูเพราะอัลลอฮ์สร้างโลกมาเนี่ยนะมีพวกเย่มากกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นออะไรนะชวงอุมบัลลิกอบาอิลลิตาอารอฟูอัลลอฮ์สร้างเป็นกลุ่มกลุมกลุ่มกลุ่มแล้วมีหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าทุกทุกประเทศในโลกเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่กลุ่มมีหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าถ้าหัวหน้าดีนะพาขึ้นสวรรค์ถ้าหัวหน้าไม่ดีพาลงนรก อูที่หัวหน้าหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครนึกว่าพาขึ้นสวรรค์นรกไม่ต้องพูดเรื่องเงินอย่างเดียวหัวหน้าฉันนี่มันต้องเกง่งต้องเอาเงินจากรัฐบาลมาบริหารลงจังหวัดเราเออพูดเรื่องเดียวเรื่องอไรนะเรื่องงบประมาณต่กระทั่งเปลี่ยนความรู้สึกของมนุษย์หมดแล้วแต่กุรานยังไม่เปลี่ยนผู้นำต้องพาคนเข้าสวรรค์ ผู้นำต้องพาคนให้รู้จักอัลลอ์ผู้นำต้องพาคนให้เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นผู้นำต้องพาคนตายแล้วต้องถูกต้อนไปอยู่ที่ทุกมาชัดต้องย้ำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจะได้เอามาสัสยิดเป็นเซนเตอร์ดีกว่านะทีะนีุ้ณอานนี่เป็นความจริงที่มาจากอัลลอฮ์มาทำไมครับลีตุนซีรอเพื่อมาเตือนเพื่อมาตักเตือนเก้ามันหมู่ชนหนึ่ง มาแปลว่าไม่มีนะครับมิได้มีอาตาฮุมมหาอย่างพวกเขานาดีรุนผู้ตักเตือนกุาารานเล่มนี้ครั้งแรกที่มาหนะ้ามหาประชาชนหมู่ชนที่ไม่เคยมีผู้นำผู้ตักเตือนมาสอนก่อนหน้านี้นี่แสดงว่าโลกอาหรับเนี่นะเป็นเป็นหมู่ชนที่แย่ที่สุดนะ ไม่เคยนบีมาก่อนแต่กุรอานมาสามารถเปลี่ยนแปลงคนตรงนั้นให้เป็นหมู่ชนที่ทุกคนเนี่ยเร อ, อทุกวันนี้อยากได้มาค้ากันทุกคนเลยนะเอา้ากะบาอยู่ตรงนั้นมีนบีอยู่ตรงนั้นกุรอานลงจากตัวนั้นที่มา ด, ดีนา่าก็เหมือนกันทุกคนอยากได้กันหมดเลยเมื่อพันสี่ร้อปีใครอยากได้ในนีใครอยากได้สักคนหนึ่งพราะกุรอานเล่มนี้ต่าหาจึงเปลี่ยนปนเ ป, ยนเปลี่ยนแปลงคนตรงนั้น ดูสิพวกเราไปทําองค์รอยนะ่ะพาเงินไปคนเท่าไร่อาคนละหมื่นเอาไปให้เขาใช่ไหมใครได้ร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านขายตรงขายตัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาไปคนละหมื่นละหมื่นแล้วก็วันละกี่ร้านเข้าออกเข้าออกเงินเข้าเท่าไรไม่ต้องโฆษณาเลยใช่ไหมใช่ คนทุกคนขอทุกอากขอตัวเองเอาล้อจะาให้ไปมา ก, การ์ดวยเธอให้ลูกฉันไปมา ก, การ์ด้วยให้ภรรยาไปมา ก, การ์ดทั้งๆที่ไม่มีคั้นโฆษณาเลยนะทุกคนอยากไปทำํทำพาร์ทําอุลร์แล้วก็พาเงินไปไปตรงนั้นน่ะนี่เป็นบริการอันยิ่งใหญ่เพราะมีใบตุลนล่ออยู่ตรงนั้นคนก็เดินเดินตามมา ก, การ์อยู่ทุกวันเนี่ยทำอยู่เลิเลย น, นะครับ เราบว่ากุณอ่านเล่อนี้มาอะไรนะมาเตือนหมู่ชนหนึ่งซึ่งไม่เคยมีผู้นำมาอยู่ตรงนี้มาก่อนทั้งๆ ท, ง ท, งที่ไม่มีผู้นำมาอยู่ก่อนจะกุณอ่านเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเชื่อศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดเชื่อกุณอ่านเปลี่ยนแปลงคนตรงนั้นเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เลยผู้หญิงมีผัวสามคนอยู่ในบ้านคนข้างนอกอีกสองอีกค่ะผู้หญิงกระทนี่ไม่เบานะเสร็จแล้วอัลลอฮฺก็ ประทานคุรานผ่านนบีมาสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเป็นความคิดหมดเลยมาอยู่ในหนการที่ถูกต้องและคนที่ตายมะกาเป็นไงทุกคนอยากขออานี่มะอยากให้ตายที่มะกาอยากตายที่มัดีนะโ อ, โโอัลลอฮ์พระกบัฏอยากกันหมดเลยนะเลยแนละ้วเพราะเพราะคุณอ่านเล่มนี้เล่มเดียวเพราะนบีมุฮัมมัดสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ มิงกบริกะก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดไม่เคยมีผู้นำก่อนมาท่านนบีมหฮัมมัดบอสอนเลยเพื่อจะพิสูจน์ให้พวกเราวันนี้ว่ากุรอ่านเล่มนี้เปลี่ยนแปลงคนได้และเปลี่ยนแปลงคนอ่านคุรอ่านได้ทุกคนด้วยทั่วโลกอัลฮัมดุลิลลาสบาใจไหมอัลฮัมดุลิลลาสบาใจครับลาอัลฮุมยะตาดูน เมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมีผู้นํามาแล้วพาคุรานมาแล้วเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะยัจจะดูอยู่ในหนทางที่ถูกต้องดีได้ไม่ดี้นทางที่ถูกต้องมาจากใครมาจากอัลลอฮ์คนอยู่ในทุทางที่ถูกต้องได้ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยจากการลงโทษตําดุนยาในอาดาบกูโบในอาคิรอดในทุ่ง ม, มาชัดไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิน้นพระยึดกุรานและยึดสุนัข น, นาบีเป็นแบบ อัลฮัมดุลิลลอฮิโน้งครับอัลลอฮฺอัรกุอานอยนนี้เตือนดีมเตือนดีมากนะครับอ่นอีเที่ยวนะอัมย์กูลูน ا ف ت ر ا บับลฮวัลฮักุมิรรับบิกลิทุนซิรักวมัมมาอะตาฮุมินนาซีรมินนาซีริมิน ق บลิ ك ลาอัลลาฮูมยะตาดูนหรือพวกเขาผู้ปฏิเสธจะกล่าวว่ามุฮัมมัดได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมาหรือแต่งกุรอานขึ้นมาเองไม่ใช่ตรงกันข้ามอัลกุรอานคือศสัจธรรมคือความจริงจากพระผู้อภิบาลของท่านเมื่อท่านมุฮัมมัดหรือท่านมุฮัมมัดจะได้นำอัลกุรอานนีไปตักเตือนหมู่ชนที่ ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมายังพวกเขาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดจะเป็นนบีเมื่อได้กุลอาณมาแล้วเพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลฮัมดุลิลสบายใจนะกุลอาณเป็นทางนำอยู่กับกุลอาณเนี่ยหลงทางวีไว้ไม่มีแต่วันนี้ใครที่ยึดกุลอาณยึดสุนนหน้านบีถูกตาหน้าวะคณาดได้กันนาเกา คณะใหม่ดูสิมันการดูถูกกันนะมันเปลี่ยนภาษาใหม่แล้วยึดคุรอ่านยึดสุนาพอแล้วหลัมยึดแลปลอดภัยอายที่สีครับอัลลอฮุลลาีฮอลักษัมอัลอาติอัลอาบุวะมะบายนุมะฟีซิตต์อยามุมมสตวอัลอ رش ما لكم من دونه م و َ ل ٍ ولا شفيع؟ أ فلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ม่เลิกมินดูนีมุวัลีมุวัลียว่ลาชฟิ่อฟแลตตทะค์ครูอัลฮัดิลลนี่อัลลอ์เล่าให้นบีอุมมัตฟังแล้วเล่าให้พวกเราฟังว่าโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างมานะไม่ใช่เกิดขึ้นเอง ใครที่คิดเชื่อว่าเกิดขึ้นมาเองนะเปลี่ยนความคิดใหม่อัลลอ์อัลลอฮ์อัลลอ์คำเดียวนางฟิกรุรอานนะผู้ยังไม่เคยน่า ว, ว่าม่อยู่กี่พันอั <laughs> <Allah. S 1> ลลอ์เดี๋ยววันหลังจะเล่าจะแจ้งให้ฟังว่าอัลลอ์คำว่าอัลลอางฟิล์กรุรอานมีอยู่เท่าไหร่นะครับอัลลอฮ์ดีอัลลอฮ์ูู้ซึ่งคอแล้วก็อะไรนะสร้าง คำว่าสร้างนี่นะไม่มีแลนนะคันแล้วก็คาว่าสร้างโดยไม่มีแผนแล้วรัฐบาลไทยนี่นะใครจะสร้างบ้านไม่มีแลนให้ไหมไม่ให้นะมันต้องมีแลนมาก่อนแล้วก็ไปเสนอที่เขตก่อนถึงจะอนุญาตให้แต่ของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์ฉันสร้างแบบไม่มีแผนมาก่อน แต่เนี่สร้างชั้นฟ้านะเป็นพระหุภูตนะสมาว่าชั้นฟ้าทั้งหลายมีอยู่เจ็ดชั้นเจ็ดเจ็ดห่วงวันอารบะแล้วก็สร้างแผ่นดินอัลลอฮฺอัลลอฮแล้วก็สร้างอะไรอีกว่มาใบนาหูมาใบหน้าแปลว่าในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินหมายถึงสร้างอาหารมาถึงมาถึงอาหารทีนี้นะ สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยกี่วันครับฟีสิตตาสิตตาแปลว่าหกหอยามวันหกวันอลัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าแผ่นดินหกก็ได้หกวันบางคนแปลอธิบายว่าหกระยะหกระยะหกวันมาเช้วันยีบชั่วโมงนี่นะอย่าลืมนะ วันของอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่สองอายาหนึ่งพันปีอีกอายาหนึ่งห้าหมื่นปีนี่วันหนึ่งของอัลลอฮ์ไม่มีกลางวันกลางคืนของอัลลอฮ์นะดวงอาทิตย์ไม่มีด้วยนะหกระยะหมายถึงหกวันสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าแผ่นดินหกระยะหรือหกวัน Allah, Akbar. อัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮอัท่านหนึ่งอธิบายแล้วว่าวามาไบานาห์มาเนี่ยหมายถึงสร้างอาหาร สร้างมนุษย์แล้วก็สร้างอาหารให้ใช้เวลาสองวันเขาบอกชันฟาสองวันแผ่นดินสองวันสร้างอาหารอยู่สองวันแล้วมนุษย์ยังกลัวจนยังงกลัวตายยังงอาหารไม่หมดริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยให้มาเท่าไรไม่หมดในครังอัลลอฮ์นี่นะไม่ยุบ <c oughs> มีอุลมามะท่านหนึ่งอธิบายว่า พี่น้องที่แต่งงานแต่งงานแต่งงานเนี่ยนึกบ้างหรือเปล่าว่าครั้งอัลลอฮ์เนี่ยหูลูกเราเนี่ยจะมีไหมเนี่ยตาจะมีไหมในครั้งอย่าเรื่องว่าลูกเราที่มีหูสองข้างมีตาสองข้างมีมือสิบนิ้วมีข่าวมีเท้ามีปอดอะไรก็ตามตานี่นี่มาจากครั้งอัลลอฮ์หมดเลยนะแล้วเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าลูกฉันเนี่ยจะมีหูไหมเนี่ยจะมีตาไหมเนี่ยต้องนึกนะต้องขออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะ ให้ลูกสาได้มีอะไรอวัยวะครบบริบูรณ์มาจากชั้นฟ้าด้วยเถิดมัจะกำลังก่อรอดในเธอต้อนึกถึงรถนะครับอ่ะทีนี้นายตับซีนอธิบายว่าเริ่มสร้างแต่ละวันไหนชั้นฟ้าจะแผ่นดินเริ่มสร้างตั้งแต่วันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์หกวันตั้งอาทิตย์นะอาทิตย์ จันนคารพุธประหัสสุขเสาร์ในหวันใช่หมหกวันวันเสาร์อัลลอฮ์ามาจะพูดพูดเว่าวันสุขอย่างเดียวฉะนั้นอมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ยึดวันสุขเป็นวันสําคัญแล้ววันเกียร์มาก็จะมาในวันสุขมุสลิมตื่นเช้าขึ้นมาวันสุขต้องเตรียมตัวที่จะไปหาอัลลอฮ์ที่มัสยิด ต้องแต่งตัวสวยๆป่าผมําหองถ้าวันเกียร ม, มามาเราอยู่ในมัสยิดปลอดภยัยไม่ปลอดภัยอัลฮัมดุลิลละนี่ใครวางแผนนี่แหละแผนที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดผ่านท่านอบดมุฮัมมัดสุลลัลลายอุบซาแล้วอัลฮัมดุลิลละเป็นน้องยิ่งใหญ่นะครับอืัลลอฮ์สร้างชันฟ้านะสองวันนะในมัสยิดที่มาจากซาอุดีนะครับ 2วันเริ่มมาแต่วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพรุธประกาศศุกร์หวันนะซุมมาสตาวาละละอัลลอฮฺอ์ซุมมาเน่เดิมเดิมแปลว่า after after หลังจากสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าแผ่นดินหวันแล้วเนี่ยซุมมาเนี่ยไม่ไม่ใช่แปลว่า after หลังจากนั้นนะอลัลลอฮฺอยู่บนบันลังไม่ใช่ ซุ่มมาเนี่ยในตับเส้นหลายเล่มอธิบายบอกว่าแปลว่าและวาวซุมมาตรงนี้แปลว่าและไม่ใช่หลังจากนั้นไม่ใช่ถ้าแปลว่าหลังจากนั้นแปลผิดต้องแปลว่าและอลัลลอฮ์อยู่สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอนและอลัลลอฮ์เนี่ยขณะนั้นอ่ะกำลังอยู่บนบัลังของอลัลลอฮ์เพียงแต่สั่งอย่างเดียว ไม่ใช่สร้างโลกแล้วเพิ่งเพ่งเพ่งเพ่ ง, พงจะมีบาลังไม่ใช่บาลังนะ่ะมีมาก่อนแล้วเ <c oughs> ข้าใจนะอลัลลอฮ์เนี่ยมั่นอยู่บนบาลังพวกอาชาอิร้องบอกว่าคอยใครที่แปลว่าอลัลลอฮ์ประทับอยู่บนบาลังแปลผิดต้องตบ้าตัวใหม่แต่ว่าก็อัุรอานอธิบายว่ามั่นอยู่บนบาลังจะอยู่ยังไงเร า, าเราไปต้องไปวิจารณ์ นั่งยังไงมีเก้าอีกอ้กี่ตัวไม่ต้องไปบรรยายว่ญญาอยู่บนบันลังเชื่อแค่นี้พอแล้วบันลังอยู่ตรงนั้นอัลลอฮุอาลามไม่รู้สบาใจไหมเชื่อแบบสุ하บะเชื่อแบบท่านอบดุบค า, ารุมัดอุสมานอาลีและสุฮาบะ ท, ทั้งหมดยุคนั้นเชื่อว่า Allah อับบลลอฮฺอยู่บนบันลังอยู่บนบันลังเขาไม่ต้องอธิบายและวิจารณ์อะไรนั่งเงียบๆอยู่บนบันลังบันลังพอเข้าใจนะ อิตวแปลว่ามั่นคงอยู่อัลลอฮฺอร์ิบัลลังอัลลอฮอยู่บนและขณะนั้นอัลลอฮอยู่บนบัลลังและอัลลอฮอยู่บนบัลลังนะครับมาละกุมินดูนิฮิและอัลลอฮมาละกุมแปลว่าไม่มีไม่มีผู้ใด มินดูนิฮีอือจากอัลลอฮ์มิวละลียินผู้ช่วยเหลือสูเจ้าวะลาชาฟิยะและไม่มีการไถแทนพวกท่านนอกจากอัลลอฮ์แล้วไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับนอกจากอัลลอฮ์แล้วไม่มีใครช่วยเหลือท่านนอกจากอัลลอฮ์แล้วไม่มีใครไถแทนโทษท่านได้เนี่ยอยาย่านี้เตือนนะครับ อาฟาลาตาตจักการูนแล้วสูเจ้ายังไม่ไ่้ควรอีกหรือไ่้ควรอย่างนี้พี่น้องครับหนึ่งค่ควรว่าอโลนเนี่ยนะเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าอ่าค่ควรนะครับเป็นผู้คอลิกชั้นฟ้าคอลิกเป็นผู้สร้างแผ่นดิน อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังมั่นอยู่บนบัลลังอยู่ยังไงวันละอันละไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปอธิบายนะครับแล้วก็อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้อนุเคราะห์นะครับและอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่ทุกคนจะต้องมอบความไว้วางใจและต้องอิบัต้าต่ออัลลอฮ์องเดียวนี่แสดงว่าอาย่านี้สุรานี้เน้นเรื่องอะไรเรื่องเตาฮีตหมดเลยนะครับ เอาต่อมาครับอายสุด <pip> ท <as> ้ายนะยูดบบิรุลอัมร์มินัสมะอิลลอัลกิซุมมะยารูจุอิลัยฮิฟิอูมิงกันามิคดารุกันามิกดารุอัลฟาซานะอัลฟาซานะทิมมิมมะตะอุดดุน ยُ د َบِّรُอ ل ร أ َอْอَมِ ن َ ا ل สَّ م َ ا ء ِ إِلَى ا ل َْ้ ر ْ ض ِ ثُمَّ าَ ع ْ ر ُ ج ُ إ ِอَ ي ْ ه ِ ف ง ي ي َ و ง م ٍ كَانَ م ِ ق ْ د َ ا ر ُวُ أ َ ل ْ ف َ س َัَ ة ٍนึ่งท่านจะกลับมาอีั้นทายะกาวคอรันนลวี้น่าะลับมูรครั้่านจลบาวร์้ห่านจับูริกหาจัดการ เราเนี่ตัวเอาสิทธิ์ฝันเอาล้อมาชาด้วยนะอยู่บ้านก็ต้องบริหารบริหารครอบครัว่าใครใหญ่ในบ้านพ่อบ้านตัวบริหารจัดการเรื่องเงินในครอบครัวภรรยาดูแลเรื่องอาหารเรื่องบ้านช่องเรื่องลูกๆภรรยาต้องเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวไหมแต่รางวัลมีไหมมีไม่ใช่เหนื่อยฟรีแล้วนะอ่านอ้มรอบแปลว่ากิจการ อัลลอฮฺเป็นผู้บริหารกิจการของโลกดุลยาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเราต่อมาครับมีนัสสมาบริหารจัดการจากชั้นฟ้าเลยชั้นฟ้ามีมลาัายกาเท่าไรมีดวงดาวกี่ดวงมีดวงอาทิตย์มีดวงจันโคจรยังไงอะไรยังไงอัลลอฮฺบริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องไปนั่งเครียด แต่เรียนวิทยาศาสตร์ก็เรียนไปใช่ไหมจะได้รู้ว่ะเอาก็ไปวิเคราะห์ตามที่อัลลอฮ์สั่งนั่นแล้นะครับบริหารจากชั้นฟ้าสู่แผ่นดินแผ่นดินด้วยเราบริหารนะแล้วก็บนชั้นฟ้าทั้งหมดอัลลอฮ์บริหารคําว่าบริหารตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งนะยูดับเบิลยูอัมรอัลลอฮ์สั่งอะไรบ้างเช่นมีอยู่หลายรายการนะั้นหนึ่งความตาย ความตายเนี่ยสัตว์ทุกชนิดคนอยู่บนดุนยานี้อลัลลอฮฺจะสั่งให้ตายเมื่อไร่กําหนดมีอยู่แล้วสองการมีชีวิตจะมีลูกมีนั่นมีนี่อลัลลอฮฺจัดสใครจะมีลูกไม่มีลูกอลัลลอฮฺจัดใครจะรวยใครจะยากจนใครที่รวยหน่อยเพิ่มไปนิดหนึ่งคนนี้จนมาเพิ่มอีกหน่อยคนนี้อลลอลงมานิดหนึ่ง รับผิดชอบหมดรวมไปถึงตำแหน่งการงานที่อัลลอให้มนุษย์มีตำแหน่งนู้นอาปีนี้ลดคนนี้ไปอยู่ต่ำลงมานี่ต้งยกคนนี้ขึ้นไปสูงหน่อยอย่าเลือกตั้งครั้งนี้ยังยังยังยั ง, ย, งยังไม่รู้ใครจะเป็นนายกเลยนะก็ยังทะลอ ก, กันอยู่อังก็ปล่อยไปนี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ใช่ไหมแต่อัลลอฮฺนะจัดมันจะร้อยหมดแล้วนะครับแล้วต่อมาครับรีสกีใครได้มากใดน้อยรวมไปถึง ใครที่เป็นทุกข์อยู่ขนานี้อลัลลอฮฺจะขจัดทุกข์ออกหรือเขาเพิ่มทุกข์อีกเราอลัลลอฮฺจัดตัดอย่างผู้เดียวอลัลลอฮ์ใครที่วิงวอนขอดุออทิศต่ออัลลอฮ์บางทีอัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ไม่ให้ไปให้หลังตายไปให้ให้อย่างหนึ่งขออยากอัลลอฮ์ให้อย่าง อ, อังอลออลอฮ์จะรับผิดชอบบริหารจัดการชั้นฟ้าและบริหารจัดการมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวสบายใจใช่ไหมนี่แหละเราต้องเรียอนะ แต่ว่ากานให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์สบายใจไหม <Allah. S 1> อัลลอฮ์อัลกบะดไอส่วนคิดก็คิดไปนะอย่าไปอาศัยหมอดุงหมอดูเลยนะช่วยไม่ได้พวกเนี้เพราะอายาสุดท้ายของลูกมารเนี่ยพูดว่าไงนะมีอยู่ห้าอย่างเป็นความลับใช่ไหมไม่มีใครรู้วันกียอ ม, มาตย์เมื่ อ, อไรอยู่ในคานฝนตกจะทําอะไรพวกนี้คุณจะตายในพีพลินใด น, นี่เป็นความลับห้าเรื่องทจะมีใครรู้จะทำก็ดวงหมอดูน่ยก็หกทั้งหมดแล้วก็หกหมด เอต่อมาครับซุมมาย่ารูยุอิไลา ย, ย่ารูยุแปลว่าเมียรอดนะอ่าแปลว่าขึ้นข้างบนย่ารูยุแปลว่าขึ้นข้างบนอิลัย่ไปหาอัลลอฮ์คือเป็นงี้งานที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติพอมนุษย์ปฏิบัติแล้วนี่นะการงานของเขาขึ้นข้างบนหมดเลยเห็นยังเอาอัลลอฮ์สั่งให้นามาต พอเรานมัสส์เนี่ยผลบุญขึ้นข้างบนหมดเลยรวมไปถึงภาษาอูดูอธิบายว่ากุฟตูกา ร, การสนทนาของมนุษย์ขึ้นข้างบนหมดเลยเราคุยกับเมียรเราดูเรื่องอะไรบ้างขึ้นบนเลยะท่านการสนทนาของเราแต่ละคําแต่ละคําที่ออกจากปากเราขึ้นข้างบนหมดเลย การอ่านกุรานของเราขึ้นข้างบนหมดเลยการซิครูลลอสของเราขึ้นข้างบนหมดเลยอยาะนี้ซุมมายะรู้อยู่อิละอีเมื่ออัลลอฮฺสั่งให้มนุษย์ทํานูน่ทนทานี่ทำนี้ทํานั่นเมื่อทําแล้วเนี่ยขึ้นข้างบนหมดเลยใครพาไปขึ้นเองได้ไหมไม่ได้ใครพาครับมาลายิกาป็นผูพ้พาไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺหมดเลย ภาษาที่พูดออกของเราแต่ละคําแต่ละคาขั้นต้องพูดดีนะแล้วดูดูดูนพูดสิบ่ลยไม่น่าฟังเลยุ้าสวงมุฮัมมัดมาสวงกูอ่านมามันยังพูดผิดอีกดูสิดูสิฉะนั้นต้องนึกเยอะนะคาสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้มนุษย์ปฏิบัติอะไรก็าตามพอทำแล้วนะ่ะ ย่าวรู่อยู่อีเลยเมีรอดขึ้นข้างบนหมดเลยขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นหม ด, หมดรวมไปถึงภาษาที่เราพูดสนทนาที่เราสอนเนี่ยขึ้นหมดเลยนะเนี่ยอ่ายกตัวอย่างง่ายๆน บ, บีอะลีอยู่ท้องปลาอ ย, อยู่นุสอ่าใช่ป่าวเพราะปลากินไปนะ่ะน บ, บีขอดูอาในท้องปลาข้างบนรู้ไหมอ่านี่ไงดูอาบนไหน ลา il al อิลลาฮิลลาอัลลอฮิสุบบฮานะกอออินนีกุลตูมินอัลลอฮิมอันดูอ่านในท้องปากแค่นี้ข้างบนได้ยินหมดเลยฉะนั้นภาษาพูดออกจากปากเราแต่ละคำต้อง น, นึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์จะชั น, นี่ยพูดผิดเยอะเนี่ยว่างะนะว่างะนะใช่ออาต่อมาครับ เจนี้ไอ้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยแป๊บเดียวถึงแล้วนะแต่ถ้าเอามนุษย์ขึ้นเองเนี่ยแคนามิกระดาลูอัลฟาสนามิกดาดแปลว่ากำหนดของมันอัลฟูนแปลว่า1000งันวันเท่าซนะปีถ้าหาเอามนุษย์ขึ้นเนี่ยนะมนุษย์สามารถนับได้ขึ้นข้างบนนี่นะ ขึ้นแล้วก็ลงนี่นะขึ้นห้าร้อยลงอีกห้าร้อยเป็นพันปีแต่มาลายกาขึ้นปั๊บเดียวถึงเลยเห็นยังรครับนี่เป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของใครของอวสุฮานาหูอัตตาฉันตามอเมริกามันจะส่งยานาวกาศเชิญออลเล่าแล้วขึ้นไปลอยห้าร้อยลงอีห้าร้อยอ้าวพันปีนี่ผ้ได้ข้อมูลมาใหม่นะเฉะพาะปีนี้ปีเดียวนะ ปีสองห้าสองหกอายุคนจะเท่าเท่าเท่าเท่ากันหมดเลยเท่ายังไงเอาอย่างนี้เอาอายุเราตั้งแล้วก็เอาพศเกิดมาบวกจะออกสองห้าสองหกหมดเลยเอานั่งสองคนเรานั่งบวชด้วยสิจะออกสองห้าสองหกหมดเลยเอาอายุของเราเสีดายายี่สิบห้ายกตัวอย่างแล้วเอาพศเกิดตั้งแล้วก็บรบวกกัน อายุกับพอศจะออกมาสองห้าสอหเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะฮะใช่ไหมและอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอย่างนี้อีกอเราตายกี่ข้างแล้วเรานั่ง ท, ที่นั่งอยู่เนี่ยเอาวันเกิดเอาปีเกิดของท่านกับอายุของท่านบวกกันจะออกมาสองห้าหกหมดเลยเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะแล้วก็จะเกิดมาอีกข้างหนึ่ง อีกพันปีข้างหน้าอัลฟาสนะตรงนี้ไงพันปีนี่ไงอีกพันปีข้างหน้าเราตายไปยัง <c oughs> อีกพันปีข้างหน้าจะออกมาหมายจะตรงกับอายุของคนเท่ากันมดเลยทั่วโลกนีความสามาร์ทของกายหมอเองงงพวกนักดาราศาสตร์วิท ย, ยาศาสตร์งงหมดเลยอะ่ะอมาได้ยังไงอันี่ยเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่อลอชี นำให้เห็นเล็กๆน้อยๆเอ้าเองอย่าอวดดีนะอย่าอวดดีนะใครทำได้อะเอาอายุของท่านเท่าไรแล้วบวกด้วยพอสอเกิดบวกแล้วจะออกมาสองห้าสองหกหมดเลยที่นั่งนั่งอยู่ลองบวกดูสิแล้วก็เทียบกันสิเหมือนกันหมดเลยครับมิ ม, มาตะ ด, ดูนตามที่สู่เจ้านับในโลกใบนี้อัลลอว่ากัากนอัลฮัมดุลิลลาฮเราในทับสิ่อธิบายบอย่างนี้ อยู่ดับบิลอัมรอัลลอ์เป็นผู้บริหารจัดการในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่นะก็อบอกว่าท่านอนัมรีนีมัรรบินอับดุลรหมานได้บอกว่าโลกดุนยาใบนี้นะผู้บริหารจัดการอัลลอ์ส่งใครมาแล้วไหมยิบรีลมีกาอิลมาลิกุลมาอูดอิสรอฟีนสีท่านอินมาลไลกาณ์นะยิบรีนมีหน้าที่ ลมให้ลมเนี่ยลมมาลมแรงบ้างลมเบาบ้างลมเย็นเย็นบ้างลมพายุบ้างนี่หน้าที่ของใครของยิบรีนโลกโลกดุยานนี่นะอันที่สองมีกาอินเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องน้ำฝนให้ฝนตกมากตกน้อยไม่ตกต ก, ต, กตรงไหนตรงไหนก็ตามแต่ให้มีกาอินรับผิดชอบนี่ไงอยู่ดับบิรุลอัมรอัลลอฮ บ, บริหารจัดการนะครับ ข้อที่สามมลิกูลเมาด์มาเลกาที่มาเก็บวิญญาณใช่ไหมอ๋ออักบารรู้ปล่ามายืนหน้าบ้านเราวันละห้าครั้งเวลาเดียวกับเวลานามาเดินมาปากประตูหน้าบ้านอ๋อจะตายพร้อมจะตายยางจะได้เก็บเก็บเก็บวิญญาณเอายางยาอยู่พายุมาเลกามาที่บ้านเราวันละหครั้งพร้อมกับเสียงอาจารย์มาอ๋อยังไม่ถึงเวลาอยู่ไปก่อน แล้วก็มาลาอิก้อีกองหนึ่งอะไรนะอิสรฟินเนี่ยเอาไว้ลงบละอย่างเดียวเลยบึมอย่างอะไรนะประเทศอะไรนะเดซีอะฮะนั่นน่นน่น่นนนนนอาพีน้องได้ขอคิดเยอะนะทีในี้ในคัมภีร์กุรอ่นานคำว่าพันปีเนี่ยมีอยู่สองอายาอีกอายาหนึ่ง กาณาเกดารูคอมซีนอัลฟาสนะอัลลอฮห้ามื่นปีทีนี้คนดีตายกับคนไม่ดีตายแผ่นดินชั้นฟ้าแผ่นดินชั้นฟ้านี่จะร้องไห้นะในคัมี์กุรอานพูดว่าคนกาเฟตถูกลงโทษฟาโร ถ, ถูกลงโทษจมนายตายพวกอาสมูถูกพายุ ขลอมตายหนาวตายเย็นตายเนี่ยนะชานฟ้าไม่เคยร้องไห้เลยกับดีใจซะเองเองมึงตายได้ก็ดีแต่ช้นฟ้าจะร้องไห้เมื่อคนดีตายเพราะทุกคนเนี่ยมีสองประตูที่อัลลอฮ์เปิดเอาไว้ประตูแห่งความดีที่เราผลงานที่ขึ้นไปกับภาษาที่สนธนานเนี่ยขึ้นไปข้างบนอันลลอฮ์พอใจแล้วก็ประตูอีกบานหนึ่งริสกีจนลงมาหาเรา ทุกคนมสีสองประตูบนชานฝาประตูความดีที่ขึ้นไปสู่นามายของเราอ่านกูอ่า น, นของเรายิ่งรุลล้อของเราเราพูดจากับลูกดีกับพูดจากับภรรยาดีกับญาติพี่น้องพูดจาดีผลบุญ ข, ขึ้นข้างบนหมดเลยแล้วก็ดิสเก้ก็จะตามมาเวลาเราตายเนี่ยคนดีตายแผ่นดินจะเสียข้างบนจะเสียใจเอาผลงานไม่มีขึ้นเลยก็เสียใจแต่คนชั่วตายเนี่ย ข้างบนเนี่ยไม่ร้องให้แต่มุมินตายชันฟ้าจะร้องให้ร้องให้ที่ ม, มีคนงานงเสื่อมใอ้าอยากจะให้ชันฟ้าร้องให้ไหมจะร้องอยังไงอัลลอฮฺองอาลมแบบไรตุลกระ ด, ดิริอย่ากเข้าใจว่าต้นม้สูยุดไม่ใช่นะเรานะี่สูญยูทแต่ต้นม้สูญยุดแบบไหนไม่รู้อย่าเอาเราไปเทียบกับต้นไม้ไม่ได้นะแต่นั่นชันฟ้าร้องให้ยังไงอัลลอฮฺองอาลมแต่เอาลอนเล่าให้ฟังชันฟ้าไม่ร้องให้เมื่อคนกาเฟา ปลุกลงโทษแต่มุมินตายชันฟาร้องทุานัรอุมาวันทฮัมดิกละอิลลอันตะอัสตฟุกะวะตูบิลกวะุลลัลลอฮะลาฮัมมัดวะาอัลฮิวาบฮิอัจมาอิน ا ل ฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามี